วันนี้เป็นวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อมาเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติอะไรกันที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีบูชาที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา ว่าบูชาอย่างไรการบูชาในพระพุทธศาสนามีสองวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้น สองปฏิบัติบูบชาคือการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ละการกระทําบาป ท, ทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างคุศลมทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี่คือการบูชาที่สูงสุดคือบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอ ม, มิสสบูชา เป็นการบูชาในเบื้องต้นเพราะเป็นการกระทาที่ไม่ยากพออยู่ในนิสัยของผู้ที่เริ่มต้นศึกษาหรือเริ่มต้นมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นก็ให้บูชาด้วยอมิสตบูชาและบุคคล ที่สมควรแกการบูชาในพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบูชาพระอราิยสงสาวุของพระพุทธเจ้าคือให้ความคารพยกย่อง เทิดทูนบุคคลทั้งสามนี้เพราะท่านเป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราสารณะนี้หมายถึงเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะสอนให้พวกเรามีที่พึ่งในใจของเราเอง ที่พื่งที่จะปกป้องคุ้มครองใจของเราไม่ให้ทุกข์ใจไม่ให้วุ่นวายใจให้ใจของเราอยู่ปราศจากความทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถสอนให้พวกเราไม่มีความทุกข์ภายในใจได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นบุคคลอื่นในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม<อ>จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามจะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามก็ยังไม่สามารถปกป้องหรือป้องกันใจของตอนเองไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้<อ>จะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรี<อ>เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ใจก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ใจยังมีความทุกข์ต่างๆมารุมเล่าจิตใจอยู่เรื่อยๆแต่ใครที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์และปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จะสามารถทำให้ใจของตนเองพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ได้หมดเราจึงยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุคคลที่สูงสุดในสายตาของชาวพุทธเราเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับพวกเราชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเราจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองถ้าขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว พวกเราจะไม่มีวันที่จะพ้นจากความทุกข์ไปได้เราจึงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเราจึงมีความสำนึกในพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่งเราจึงแสดงความกตัญญูกะตะเวที ของเราด้วยการบูชาทั้งสองรูปแบบคือบูชาด้วยอมิสบูชาและบูชาด้วยปฏิบัติบูชา mm hmm. การบูชาอามิสซาบูชานี้เราก็บูชาด้วยสิ่งของต่างๆเ mm hmm. ช่นถ้าบูชากับพระพุทธรูปเราก็มีดอกไม้ทูบเทียน หรือองค์ประกอบส่วนประกอบที่เอามาบูชา<ม> พ, ร พ, พระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า<ม>แต่เราไม่ควรนำอาหารขาวหวานมาบูชาพระพุทธรูปเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธรูปท่านรับประทานอาหารไม่ได้ เอามาตั้งไว้เดี๋ยวก็เสียของไปเปล่าๆแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าหลังจากบูชาเสร็จแล้วจะทำอะไรกับอาหารที่เอามาบูชาความจริงอาหารนี้เหมาะต่อการบูชาพระสงฆ์เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าอยากจะบูชาด้วยอาหาร กบูชากับพระสงฆ์องค์เจ้าพระที่มาบวชในพระพุทธศาสนาจาเป็นที่จะต้องมีอาหารมีปัจจัยสี่ถ้าอยากจะบูชา<ม>ที่สิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่<ม>ก็บูชากับพระสงฆ์สร้างวัดขึ้นมามเพื่อที่จะได้มีที่อยู่ที่ศึกษา ที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นอามิสบูชาได้หรือถ้าอยากจะสร้างโบสถ์ก็สร้างที่อยู่ให้กับพระพุทธเจ้าสร้างบ้านให้พระพุทธเจ้าก็สร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างวิหารแล้วเราก็นําเอาพระพุทธรูปไปประดิษฐานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอามิสบูชาได้เหมือนกัน Yeah. Yeah. แต่อภิสบูชาผลที่ได้รับจากอภิสบูชานี้เป็นสุผลส่วนน้อย <Yeah. S 2> ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ <Yeah. S 2> ช่วยบรรเทาความทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง <Yeah. S 2> ในการทำบุญทำทาน <Yeah. S 2> ด้วยการสร้างทานต่างๆ วิหารทานสังมทานทานต่างๆเหล่านี้จะทำให้จิตใจของผู้กระทามีความล่มเย็นเป็นสุขมีความทุกข์น้อยลงไปเพราะเป็นการเอาเงินทองที่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูก เอาเงินทองเอาไปใช้ในทางที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้มาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ <c oughs> ช่นถ้าเอาเงินทองไปใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆ การใช้เงินทองหาความสุขแบบนี้เป็นเหมือนกับการใช้เงินทองซื้อยาเสพติด <Yeah. S 1> เพราะว่าเมื่อได้เสพแล้วมันจะติด <Yeah. S 1> อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้ซื้อเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา And ้เอาเงินทองที่จะไปซื้อยาเสพติดนี้มาซื้ออาหารให้กับใจดีกว่าอาหารให้กับใจก็คือการทำบุญทำทานนี้ทำทานด้วยอามิสบูชาทำทานด้วยความกตัญญูกะตะเวทีเวลาที่เราได้สนับสนุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มอิใจมีความสุขใจเพราะว่าการมีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการมีอาจารย์คอยสอนคอยบอกเรานั่นเอง mm hmm. ถ้าเราไม่บูชาพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ mm hmm. พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ก็อาจจะหายไปจากโลกนี้ได้ mm hmm. เพราะขาดการสนับสนุน ถ้าพระสงฆ์มาบวชแล้ว อ, อยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบทุกข์ยากลำบากก็อาจจะทำให้ท่านไม่มีกำลังใจที่จะอยู่หรืออาจจะต้องถูกบีบบังคับให้สึกออกไปเพื่อไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนแต่ถ้ามีชาวพุทธคอย ให้อมิสบูชาแก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการทำนุบบำรงพระพุทธศาสนาด้วยทานชนิดต่างๆสังฆทานบิณฑบาตวิหารทานกระถิ น, นทานกระถินก็ถวายผ้าวิหารทานก็ถวายที่อยู่อาศัยสังฆทานก็ถวาย เครื่องใช้ไม่สอยที่จำเป็นต่างๆหรือผ้าป่าอันนี้ก็ถวายผ้าการกระทำเหล่านี้ถือว่าอยู่ในอามิสบูชาเป็นบุญเป็นกุศลทำให้จิตใจมีความน่มเย็นเป็นสุขทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินไปในทางที่ไม่ถูกนั้นลดน้อยหายไปได้ ถ้าเราเริมใช้เงินซื้อของฟุม่มเฟือย เ, เลิกใช้เงินไปเที่ยว <S <S เราก็เวลาที่ไม่ได้ซือ้อเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราเลิกเลิกเสพเหมือนเลิกเสพยาเสพติดถ้าเราติดยาเสพติดเราก็ต้องเสพอยู่เรื่อยถ้าเราติดอยู่กับการซื้อของฟุม่มเฟือยของหรูหรา <S <S <S <S ติดอยู่กับการ ซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆมันก็จะทำให้เราติดสิ่งเหล่านี้แล้วพอเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อสิ่งเหล่านี้เราก็จะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะซื้อสิ่งเสพติดเหล่านี้เอาไปบูชาด้วยอมิสบูชาด้วยการ ทำบุญทำทานกับพระพุทธก็ทำพระสงฆ์ <Yeah. S 1> เราก็จะเลิกเสพยาเสพติดของจิตใจได้เลยเลิกเที่ยวได้เลิกซื้อของฟุ่มเฟือยได้ <Yeah. S 1> เลิกซื้อของหรูหราได้ <Yeah. S 1> แลวเวลาเราไม่มีเงินจะซื้อของเหล่านี้ <Yeah. S 1> เราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน yeah. Yeah. ความทุกข์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้เงินที่ไม่ถูกต้องของพวกเรานี่พวกเรามักจะคิดว่าความสุขของพวกเราอยู่การที่ได้ไปเที่ยวไปกิ น, ไ ป, นไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆมันก็เป็นความสุขแต่เป็นความสุขแบบยาเสพติดเสรษแล้วก็ติดต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นความสุข ประเดี๋ยวประดาวแบบชั่วคราวเวลาได้เสพก็มีความสุขเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็จะหายไปทำให้รู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเดียวดายต้องออกไปเที่ยวใหม่ต้องไปซื้อความสุขต้องใช้เงินใช้ทองใหม่ แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเงินทองขาดมือหรือว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะออกไปซื้อความสุขต่างๆได้ตอนนั้นใจก็จะมีความทุกข์ที่เกิดจากความเหงาความว้าเหว ความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเศร้าส้อยงอเหงา <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราเอาเงินที่จะซื้อความสุขเหล่านี้ไปใช้กับการทำบุญทำทาน <Yeah. S 1> ไปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Yeah. S 1> ไปปฏิบัติ <Yeah. S 1> ไปกระทการบูชาด้วยอ ม, มิสบูชา <Yeah. S 1> เราก็จะเลิกเสพความสุขจากการใช้เงินทองซื้อของต่างๆได้ ต่อไปเวลาไม่มีเงินทองซื้อของหรือร่างกายไม่สมประกอบที่จะไปซื้อของไปซื้อไปทำอะไรต่างๆใจก็ไม่เดือดร้อนพรใจไม่ได้ติดกับการที่จะต้องไปมีความสุขจากการไปเที่ยวกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเว อันนี้เป็นประโยชน์จากการที่เรากระทาอามิสบูชากันทุกครั้งอยากที่จะใช้เงินเพื่อหาความสุข mm hmm. ก็คิดว่ามาทําบุญกับพระพุทธก็ mm hmm. ทาพระสงฆ์ดีกว่า mm hmm. ก็ได้ประโยชน์ทางใจของเราแล้วยังได้ประโยชน์กับพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการทำรูปบารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกนี้ไปได้นานๆนั่นเอง พระพุทธศาสนานี้ถึงแม้จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แต่ถ้าไม่มีศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทมาสนับสนุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ต้องกินข้าวพระสงฆ์ก็ต้องกินข้าวถ้าไม่มีใครใส่บาตรแล้วก็จะอยู่เป็นพระไม่ได้ก็ต้องลาศิกขาออกไปไปธรำมาหากิน เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันถ้าไม่มีใครทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยอามิสบูชาศาสนาก็จะต้องล่มจมจะต้องสูญหายไปในที่สุดเพราะจะไม่มีใครมาบวนจะไม่มีใครมาศึกษาคัพพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครนำเอาคำสอนไปปฏิบัติ เมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ mm hmm. เมื่อไม่มีการบรรลุธรรมขั้นต่า ง, าง mm hmm. ๆก็จะไม่มีใครสามารถที่จะเอาธรรมอันประเสริฐที่เกิดจากการบรรลุธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ mm hmm. ต่อไปก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี mm ้ hmm. เพราะกาสการทานุบำรุงจากพุทธศาสนกชนนั่นเองอดังนั้นความการการใช้อามิสบูชาเป็นการบูชาพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเพราะ เป็นการกระทำที่ไม่ยากเย็นจนเกินไป <Yeah. S 1> เพียงแต่เอาเงินเอาทองที่จะไปใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆกับการไปเที่ยวต่างๆก็ลองเอามาใช้กับการทำบุญทำทานดีกว่าจะได้ประโยชน์หลายอย่างทำให้จิตใจเราไม่ต้องทุกข์กับการใช้เงินใช้ทองไปกับของฟุ่มเฟือยต่างๆจะทำให้จิตใจเรา เวลาไม่มีเงินทองจะไม่เดือดร้อนเวลาไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่บ้านเฉยๆก็อยู่ได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเวแล้วก็จะทานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปนานๆให้เป็นที่พึ่งให้เป็นที่ให้เราได้มาศึกษากันศึกษาวิธีที่จะ บำบัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไป <Yeah. S 1> การที่เราจะบำบัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปได้นี้ต้องทำด้วยการปฏิบัติบูบชา <Yeah. S 1> อาบิสบูชานี้เพียงแต่กำจัดความทุกข์แบบหยาบๆแบบง่ายๆความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง แต่การที่จะกำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดซึ่งไปจากใจได้นี้จําเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนคือให้ละการกระทำบาปแล้วก็ให้ชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชา การสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเรียกว่าเป็นอมิสบูชาอยู่ในสามหัวข้อของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้ารูปใดองค์ใดมาตัดสโลทำมันประเสริฐก็จะนำเอาทรมันประเสริฐนี้มาสอนสามข้อด้วยกันคือให้ละการกระทาบาปทั้งปวง ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การสร้างบุญสร้างกุศลกับพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอมิสบูชานี่การสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมสร้างที่อยู่อาศัยของพระการถวายผ้าป่าถวายผ้ากระถินถวายผ้าจีวร ดังนี้ก็เป็นการถวายปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระสงฆ์เราต้องมีพระสงฆ์มาเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์มาสอนให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมกันได้บรรลุธรรมกันดังนั้นถ้าเรา ได้กระทําอามิสบูชาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาหัดกระทําปฏิบัติบูชาด้วย<ม>ถึงจะนได้บูชาอย่างสมบูรณ์<ม>หรือถ้าว่าเราไม่สามารถกระทําอามิสบูชาได้แต่เราทําปฏิบัติบูชาเลยก็ได้เ<ม>ช่นพวกที่ไปบวชทั้งหลายนี้ท่านก็ไม่ได้กระทําอามิสบูชาแล้ว พระสงองค์เจ้าแม่ชีภิกษุณีผู้ที่เป็นนักบวชนี้จะไม่มีเงินทองที่จะมาทำอมิสสบูชาท่านก็จะไปปฏิบัติบูบชาเพียงอย่างเดียวไปรักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ไปกับการกระทำอมิสสบูชาอามิสสบูชานี้ ผู้ที่ทำอมิสบูชาควรจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ใจบุญใจไม่กระทำบาปมีศีลห้าแล้วก็ทำบุญทำทานตามโอกาสตามกำลังของตนกับพระพุทธศาสนาก่อน<ม>แล้วถ้า<ม>พระพุทธศาสนาพร้อมพอหรือแล้วก็ทำกับผู้ต่อไปได้ และบุคคลที่เราไม่ควรมองข้ามก่อนที่เราจะไปทําบุญข้างนอกบ้านก็คือต้องทํากับบิดามารดาของพวกเราก่อนต้องดูแลบิดามารดาให้อยู่สุขสบายก่อนถ้าบิดามารดาอยู่สุขสบายแล้วทีนี้ก็ไปทาบุญกับพระพุทธศาสนาต่อไปแล้วถ้าพระพุทธศาสนาสุขสบายแล้วก็ไปทําบุญกับผู้ที่ผู้อื่นที่ทุกข์ยากเดือดร้อนต่อไปได้ ทำบุญกับคนพิการทำบุญกับคนชรทาทำบุญกับเด็กพิการทำบุญกับสัตว์ต่างๆสัตว์ชนิดต่างๆสุนัขแมวจอนจัดปล่อยนอกปล่อยปลาไถ่ายวัวถยโคการกระทําเหล่านี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขใจสร้างทรัพย์ภายในถ้ายังไม่ได้ หลุดนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่ก็จะต้องอาศัยทรัพย์ภายในคือบุญนี้หล่เลี้ยงจิตใจเพื่อจะได้ให้ใจไปอยู่ในสุขคติไม่ให้ไปอยู่ในทุกขคติสังสารานี้มีสังสารวัฏนี้มีแบ่งเป็นสองซีก ซีกที่เป็นสุขคติกับซีกที่เป็นทุกขคติซีกที่เป็นสุขคติก็คือมีแต่ความสุขจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขที่เราเรียกว่าเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี้เพราะพวกนี้มีทรัพย์ภายในติดตัวไปทรัพย์ภายในที่ได้จากการทําบุญทําทานจากการไม่กระทบาบาปคือการรักษาศีลเวลา ตายไปร่างกายตายไปจิตยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ายังไม่ได้ออกจากสังสารวัตรก็ยังต้องอยู่ในสังสารวัตรแต่จะไปอยู่ในซีกที่ดีเรียกว่าสุกติซีกที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์มีนิดเดียวความสุขมีเป็นส่วนใหญ่ความทุกข์ในสุกตินี้มีเฉพาะตอนที่ เ, เวลาเสื่อมเวลา ตกจากสวรรค์นั้นเทวดาเวลาจะตกจากสวรรค์ก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมานิดหน่อยตกจากสวรรค์เพื่อที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปดังนั้นการทําบุญจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จําเป็นถ้าเรามีเงินทองที่เราเหลือใช้จากการใช้กับสิ่งที่จําเป็น เอามาทำบุญทำทานมาซื้อความสุขแบบนี้ดีกว่าไปซื้อความสุขจากยาเสพติดโดยจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะต่างๆเช่นการไปดูอะไรไปฟังอะไรไปลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เป็นเหมือนการไปเสพยาเสพติดแล้วจะทำให้เราจะไม่มีเงินทองมาซื้อทรัพย์ภายใน มาทําบุญทําทานกันไม่ทําบุญทําทานก็จะไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปตายไปก็จะต้องไปเป็นขอทาน <Yeah. S 1> ในโลกทิพย์ไม่ได้ไปเป็นเศรษฐีไม่ได้ไปเป็นเทวดา <Yeah. S 1> จะต้องไปเป็นเปรตเปรตคือขอทานในโลกทิพย์ <Yeah. S 1> เวลาที่เราอุทิศบุญแบ่งทรัพย์ภายในของเรานี้เราก็แบ่งให้พวกเปรตนี่เอง พวกเปรนี่คือพวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ไม่เอาเงินไปทำบุญกันเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันไปเสพอบายามุขกันไปเล่นการพนันไปเสพอบายามุขแล้วก็ไปทำบาปทากรรมเวลาจะหาเงินหาทองก็หาโดยวิธีทำบาปทำกรรมตายไปก็จะไปเป็นขอทานเพราะไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไป แต่นี่มีแต่ความหิวโหวยเหมือนกับพวกขอทานขอทานนี่เขาหิวอยู่ตลอดเวลาเขาต้องรอความเมตตาจากผู้ที่มีอันจะกินที่จะให้ทานเขาให้เงินให้ทองเขาไปซื้อข้าวซื้ออะไรมารับประทาน น, นี่เรื่องประโยชน์ของอมิส บ, บูชาบูชาบุคคลที่สมควรแก่แก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง อั น, นี้เป็นข้อมงคลที่พระเจ้าทรงสอนหนึ่งในสามมงคลด้วยกัน<อ>คือการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบูชาจัปูชนียนังเอตัมมังกัลมุตตมังนี<อ>่คือการบูชาด้วยอามิสบูชาด้วยข้าวของเงินทองสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่างๆเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ของผู้ที่เราต้องการจะตอบแทนบุญคุณก็ดีตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาตอบแทนบุญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นหรือถ้าไม่ตอบแทนบุญคุณก็เป็นการแผ่เมตตาให้ด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาเมื่อเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเรามีกำลังมีความสามารถที่จะช่วยเขาได้ก็ควรจะช่วยเขา เพราะเป็นการเอ า, เอาทรัพย์ภายนอกไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายใน mm hmm. เวลาเราช่วยคนอื่นด้วยเงินทองนี่เราไม่ขาดทุนเหมือนกับเวลาเราไปต่างประเทศเราต้องเอาเงินบาทไปแลกเงินต่างประเทศเราไม่ขาดทุนเ ร, mm hmm. เราเพียงแต่เอาเงินบาทนี้ไปแลกเป็นเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปท่นั้น mm hmm. เองต่อไปเราก็ต้องไปอยู่ในโลกทิพย์กันตอนนี้เราอยู่ในโลกกระทา คือโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคือร่างกายของพวกเรานี้ทำมาจากธาตุสีดินน้ำลมไฟเราก็เลยเรียกโลกนี้ว่าเป็นโลกกระทาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ทำมาจากดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้านี้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟพื้นดินที่เราเหยียบก็เป็นดินน้ำที่เราอาบก็เป็นธาตุน้ำ ลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกหรือ ล, ลมที่พัดไปพัดมานี้ก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้จากแสงอาทิตย์นี่ธาตุทั้งสีน่นี้เวลามารวมกันจึงทำให้เกิดมีสิ่งต่างๆขึ้นมามีร่างกายของมนุษย์มีร่างกายของสัตว์เวราชานมีต้นไม้มีอะไรต่างๆขึ้นมาเราจึงเรียกว่าโลกนี้ว่าโลกธาตุ แต่โลกนี้เราจะอยู่ไปไม่นานเพราะร่างกายที่ทํามาจากธาตุสีนี้วันหนึ่งก็จะต้องยุติลงจะต้องหมดลมหายใจธาตุทั้งสี่จะไม่ประสานสามัคคีกันธาตุทั้งสี่จะแยกทางกันธาตุลมก็จะแยกไปไม่เข้ามาแล้วมีแต่จะออกธาตุน้ําก็จะออกธาตุไฟก็จะออกเดี๋ยวก็ทิ้งให้เหลืออยู่แต่ธาตุดิน ถ้าไปเผาก็กลายเป็นขี้เท่าไปเป็นเศษกระดูกไปดังนั้นเราต้องทําบุญเราต้องมาเปลี่ยนเงินกันเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นทรัพย์ภายในเพราะทรัพย์ภายนอกนี้ออกไปไม่ไดนะ้น่าเสียดายนะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเอาไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในนี้เอาไปได้หมดเลยทําบุญร้อยล้านก็ได้ทรัพย์ภายในร้อยล้าน ทำบุญพันล้านก็ได้ทรัพย์ภายในพันล้านได้หมดเลยกับไม่ไม่ทำกันเสียดายหรือไม่เชื่อไม่รู้ไม่คิดว่าตนเองนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนักจะคิดว่าเวลาตนเองตายก็เวลาร่างกายตายตนเองก็ตายไปกับร่างกายด้วยสว่หวันไม่มีนรกไม่มีทุกขติไม่มีสุขติไม่มี นี่เป็นความคิดของคนที่ไม่ได้มาเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่ไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นีคือเรื่องของสุคติและทุกคตินีสุคติก็คือสวรรค์ทุคติก็คือนรกและอบายที่ดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนจะต้องไปอยู่กัน คืออยู่ว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่เราทําบุญหรือทําบาปกันถ้าเราทําบาปไม่ทําบุญดวงวิญญาณของเราตายไปก็จะไปอยู่ในทุกขติไปอยู่ในบายไปอยู่ในนรกถ้าเราทําบุญเราก็จะไปอยู่ในสุ ข, ขติเป็นดวงวิญญาณของเทพของพรหมเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เรา จะได้เรียนรู้จากการที่เราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้รับประโยชน์อย่างมากเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนคนตาดีพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดบอดอย่างไรดีอย่างไรก็บอดจากเรื่องการเห็นโลกทิพย์กับเห็นดวงวิญญาณ น, นี่เองพวกเรามองไม่เห็นดวงวิญญาณกันมองไม่เห็นโลกทิพย์กันโดยคิดว่าไม่มี เราคิดว่ามีแค่โลกกธาตุนี้ที่เราเห็นได้ด้วยตาของร่างกายของเราเลยแต่ยังมีอีกโลกหนึ่งที่จิตใจของพวกเราอยู่พวกเรานี่มีสองร่างกายมีสองร่างด้วยกันมีร่างกายที่ทำจากดินน้ำลมไฟแล้วก็มีร่างที่ทำจากเป็นดวงวิญญาณเป็นร่างที่เรียกว่าร่างทิพที่เป็นทำจากธาตุรู้และ เ่เรามีสองร่างเราเห็นร่างเดียวอีกร่างหนึ่งเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่เปิดตาในของเรานั่นเองผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนี้จะเปิดตาในของตนเองจะทำให้เห็นอีกร่างหนึ่งของตนแล้วจะทำให้เห็นโลกที่ร่างของตนอีกร่างหนึ่งนี้อยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่แบบสุขอยู่แบบทุกข์ อย่างไรนี้จะเห็นหมดจะเห็นว่าอะไรจะทำให้ไปอยู่ในสุขคติจะเห็นว่าอะไรจะทำให้ไปอยู่ในทุกขคติ น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่นมาสอนพวกเราเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นโลกทิพย์เห็นกายทิพย์ เพาท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนกระทั่งท่านสามารถเปิดตาทิพย์ของท่านให้ให้เตื่นขึ้นมาไดใ้ให้เปิดขึ้นมาได้ต mm hmm. อนนี้ตาทิพย์ของวกเรากำลังปิดอยู่ mm hmm. มืดสนิทมองไม่เห็นโลกทิพย์มองไม่เห็นตัวเราเองมองไม่เห็นจิตวิญญาณ mm hmm. มีแต่ตาของร่างกายที่เห็นเพียงร่างกายและสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้น mm hmm. ถ้าไม่ได้ศึกษา ก็เหมือนกับคนสมัยโบราณเนี่ยคนสมัยโบราณที่ไม่ได้ศึกษาก็คิดว่าโลกนี้แบนกันเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครคิดว่าโลกนี้กลมคิดว่าเป็นแบนเหมือนต้นเหมือนโต๊ะอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆไม่กล้าไปสู่ขอบขอบพ้นขอบทะเลเพราะกลัวว่าถ้าไปถึงขอบทะเลแล้วเดี๋ยวเรือจะตกออกองนอกโลกไปยังไม่มีใครกล้าออกไปทะเลไกลๆ เลยไม่รู้ว่ายังมีอีกซีกหนึ่งของโลกมีอีกทวีปนึงอยูอ่อีกด้านหนึ่งของโลกจนมีคนฉลาดมานั่งคิดนั่งพิจารณาเปรียบเทียบแล้วก็เห็นว่าโลกนี้ไม่แบนไม่เป็นเหมือนโต๊ะเป็นเหมือนลูกเป็นลูกผลไม้ลูกส้มกลมนั่งเรือออกไปถึงสุดขอบฟ้ามันก็ไม่สุดออกไปไกลเท่าไหร่เดี๋ยวก็ขอบฟ้ามันก็เลื่อนไปอยู่อนียขอบทะเลมันก็เลื่อนออกไปเน่อย จนในที่สุดเขาก็เลยไปพบกับทวีปต่างๆที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อก่อนไม่มีใครรู้ว่ามีทวีปอเมริกาไม่มีใครรู้ว่ามีนิวยอร์กมีแคลิฟอร์เนียมีแต <Yeah. S 1> ่ยุโรปเขารู้เพียงแต่ยุโรปคนในยุโรปสมัยก่อนไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลๆกลัวว่าถ้าออกไปเดี๋ยวจะตกออกจากขอบโลกไปตกออกจากโลกไป แต่มีคนฉลาดมานั่งคิดมาพิจรารณาก็เห็นว่ามันไม่มันไม่แบนงมันไม่เป็นโตะ๊ะมันเป็นเหมือนลูกกลมๆลูกส้มผลไม้นั่งเรือไปไกลขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะตกออกจากโลกนี้ไปได้เพราะเลยกล้านั่งเรือออกไปสุดขอบฟ้าจนในที่สุดเ้าก็เลได้ไปเจอทวีปใหม่ๆสองทวีปใหญ่เนี่ยอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ เมื่อก่อนก็มีแต่คนพื้นที่อยู่ตามในทวีปแบบนั้นแต่พอพวกชาวยุโรปรู้ว่ามีที่ใหม่ซึ่งเขากำลังต้องการหาที่ดินทำกินกันเขาก็เลยอบพยพกันไปไปตั้งโลกลากในทวีปใหม่กันเลยกลายเป็นการสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาเยอะแยะไปหลดแต่ก็มาจากคนยุโรปเป็นส่วนใหญ่คนที่อยู่ในทวีปยุโรปเพราะทวีปยุโรปนี้มันเล็กมันแคบแล้วคนมากขึ้นมากขึ้น ก็อดอยากขาดแคลนกันคนยากคนจนก็เลยต้องลิ้รนันหาที่อยู่ใหม่กันพอมีการค้นพบที่อยู่ใหม่อยู่อีกซีกหนึ่งของโลกเขาก็เลยไปกันไปตั้งโรกราากันที่นั่นอันนี้เกิดจากการที่รู้กับไม่รู้ความจริงถ้ายังคิดว่าโลกนี้แบนอยู่ก็ยังไม่มีใครกล้าไปไหนกันก็จะอยู่ในที่ของเราแล้วคนก็ยิงมากขึ้นแน่นขึ้น เดี๋ยวก็เกิดการฆ่าฟันกันแย่งกันแต่พอมีรู้ว่ามีที่ใหม่ที่ทุกคนสามารถไปตั้งลูกรากไดนะ้เมื่อก่อนคนไทยเราก็ไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศกันนะอยู่เมืองไทยกันนะแต่ต่อมาพอรู้ว่ามาีที่ทำกินใหม่อยู่ต่างประเทศนะเสียค่าค่าเครื่องบินไปพบไปถึงนั่นก็หางานทำได้เลยก็มีคนไปกันเยอะแย ะ, ยะไปต่างประเทศกัน ไปแล้วแต่ประเทศไหนมีงานให้ทำก็ไปกันไปตะวันออกกลางไปเกาหลีไปไปหมดทั่วทั่วโลกเลยนี้คนไทยนี่มีอยู่เกือบทั่วโลกเพราะญาติโยมที่ติดตามฟังธรรมนี้อยู่ทั่วโลกกันก็เคยสํารวจิให้ญาติโยมที่กำลังติดตามฟังธรรมอยู่นี้ช่วยส่งข้อความมาบอกว่าฟังจากที่ประเทศไหนก็มีหลายประเทศด้วยกัน อันนี้เกิดจากการได้เรียนรู้ความจริงของโลกนี้ว่าโลกนี้มันกลมมันไม่แบน <Yeah. S 1> ก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะไปตั้งลกร่ากไปสร้างรากท่านฐานะสร้างความสุขให้กับตนเองปลดเพื่อความทุกข์ที่มีอยู่ให้มันบรรเทาลงได้คนส่วนใหญ่ที่ออกจากประเทศไปเพราะเขาทุกข์ยากลําบากเงินทองไม่พอใช้เขาก็เลยยอมไป หางานทําที่ต่างประเทศเพราะต่างประเทศรายได้สูงกว่ารายได้ที่ได้จากในประเทศนั่นเองนี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียมเรื่องของการไม่รู้มันก็จะทำให้เร า, เาไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เรารู้พอเราได้มาเรียนรู้จากพระพุทธธรรมพระสงค์ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตวิญญาณเราอยู่อีกโลกหนึ่งเราอยู่ในโลกทิพย์ เราเพียงแต่ส่งกระแสการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณนี้มาเกาะติดอยู่กับร่างกายมาเกาะติดที่ตาหูจมูกนิ้นกายพอมาเกาะปั๊บรูปที่เข้ามาทางตาก็จะส่งไปที่ใจไปส่งไปที่โลกทิพย์อีกทีใจก็จะรู้ว่าตอนนี้เห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรใจกับร่างกายนี้เป็นสองคนเป็นเหมือนแฝดสยามยติดกันด้วย กระแสของวิญญาณพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าใจของเราสุขทุกขอย่างไรอยู่อย่างไรถึงจะสุขอยู่อย่างไรถึงทุกข์้ารู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสุขทุกข์ก็อยู่บุญอยู่ที่บุญที่บาปของเรานี่แหละเวล <S S S 1> <c oughs> าใจเราเร า, เราทำบุญใจเราก็มีความสุขกัน <S S <c oughs> ถ้าไม่มีทางสุขญาติโยมคงไม่มาทําบุญกันหรอกถ้ามาทําบุญลดทุกข์ กับมาแล้วต้อร้องหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็คงจะไม่อยากจะมากันแต่มาแล้วทําให้มีความสุขใจสบายใจก็เลยมากันทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้อะไรไม่ไม่ได้เข้าของเงินทองกลับไปแต่ได้บุญได้บุญกลับไปได้ทาบุญพอทาบุญแล้วใจก็ได้ความสุขใจได้ทรัพย์ภายในไปเนี่ยการทำบุญนี่เป็นการได้ทรัพย์ภายใน พอมีทรัพ์ภายในก็ไปซื้อความสุขให้กับใจได้ทันทีใจก็เลยเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้รู้ว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่ตอนนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ อยู่ในตายภพภพบายภพบหนึ่งขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทํากันขึ้นอยู่กับความอยากของเราว่าเราอยากได้อะไรตายภพนี้ก็เป็นเหมือนร้านอาหารสามร้านถ้าเราอยากกินอาหารฝรั่งเราก็ไปร้านอาหารฝรั่งอยากกินอาหารไทยเราก็ไปร้านอาหารไทยอยากอาหารจีนเราก็ไปกินร้านอาหารจีนตายภพนี้ก็มีเป็นเหมือนสามร้าน ถ้าเราชอบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่าการมาคุณห้าเนี่ยเราก็ไปเกิดในการมาพบเนี่ยไปไปร้านที่ขายกามเป็นร้านที่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เราเสกกันถ้าเราเป็นคนที่ชอบเข้าสมาธิเข้ารูปปัจจานเราก็ไปอีกร้านหนึ่งอีกโลกหนึ่งเรียกว่ารู ป, ประพรมโลกของรูปประพรมดู ป, ประพบ ถ้าเราชอบอารูปประชานเราเข้าสมาธิในระดับอารูปประชานได้เป็นความสุขที่มากที่สูงที่สุดเราก็จะไปกินอีกล้านหนึ่งไปกินร้านที่มีอารูปประชานให้เราเสกนี่คือตายพนะแต่มันก็เป็นเหมือนยาเสพติดทั้งสามนี่เสพแล้วก็ติดร่างกายตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาสร้างมาสร้างความสุขจากตายพใหม่ เวลาเกิดก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายกัน mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่เราบ่นกันทุกวันนะบ่นกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเห็นไหม mm hmm. เวลาแก่นี่ก็ไม่มีใครดีใจกัน mm hmm. มีแต่เสียใจ mm hmm. มีแต่วิตกกังวลกัน mm hmm. เห็นผมออกเส้นเดียวบางคนก็ตกใจนะ mm hmm. เห็นหนังเหี่ยวที่ ที่ผิวหน้านิดหน่อยก็ตกใจนะโอ้ยเราจะแก่แล้วนะเนี่ย <Yeah. S 2> แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สบายใจไม่สบายร่างกายแล้วยังต้องไม่มาต้องมาทุกข์ใจด้วย <Yeah. S 2> แล้วถ้ารู้ว่าจะต้องตายนี่ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่เราต้องกำมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย <Yeah. S 2> แล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครมาสอนเราให้เรารู้จักวิธี ปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายว่าให้ปฏิบัติอย่างไรที่จะทําให้เราจะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่จะทําให้เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของพวกเรานี้เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณนี้ เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นี่แหละคือคุณพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากม า, กายกายกองอย่างยิ่งเพราะอย่างนี้เองทำให้เรารู้ว่าเรายังต้องมีการกระทําต่อไปเรายังมีปัญหาที่เรายังแก้ไม่จบปัญหาของพวกเรานี้ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองการที่ยังต้องมา ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่เรื่อยๆแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะได้รู้ว่าวิธีแก้ปัญหาของเรานี้แก้กันอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราต้องมาแก้ด้วยการปฏิบัติบูบชาอารมิสบูชาอย่างเดียวนี้ยังแก้ไม่ได้เพียงแต่ช่วยบรรเทาให้การเวียนว่ายตายเกิดของเรา อยู่ในสุขติเท่านั้นแต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในซีกที่มีความสุข เ, ออเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเป็นต้นไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกถ้าเรากระทำอารมิตสบูชาด้วยการรักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทำนุบํารุงกับพระพุทธศาสนาและกับบุคคลที่สมควรต่อการบูชา เช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เป็นบุคคลที่ให้พระคุณเ ป, เป็นผู้มีพระคุณกับเราพ่อแม่ก็ให้ชีวิตให้ร่างกายของพวกเรามาเลี้ยงดูพวกเราให้เจริญเ ต, บติบโตขึ้นมาได้จนสามารถทำไรายได้ด้วยตัวเองได้ก็เพราะพระคุณของบิดามารดาไปโรงเรียนก็ได้พระคุณจากครูบาอาจารย์สั่งสอน ให้อ่านหนังสือให้อ่านออกเขียนได้ให้รู้จักวิธีทำรรมาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริญว่าทำอย่างไรแล้วก็ครูบาอาจารย์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ใหว้วิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณของพวกเราเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราและเรื่องวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เราก็ต้องทําทั้งสองอย่างนอกจากอวิสบูชาแล้วเราต้องมาทําปฏบิบัติบูชาต่อไปด้วยขั<ม>้นต้นก็ทําอวิสบูชาก่อน<ม>แล้วก็พอเราทําอวิสบูชาได้แล้วเราก็จะพร้อมที่จะปฏิบัติบูบชาเราก็จะมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน<ม>ที่เป็น เครื่องมือที่จะทำให้เรานี้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ที่จะทำให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับเวลาที่ร่างกายเราแก่เวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเราตายนี้ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหว แก่ก็แก่ไปเพราะเราจะรู้ว่าเราไม่ได้แก่ไปกับร่างกายร่างกายแก่เราไม่แก่เหมือนเรารู้ว่าเพื่อนเราแก่แต่เราไม่แก่คนละคนกันเพื่อนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนอยู่โรงพยาบาลแต่เราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลกับเพื่อนเราจะไปป่วยกับเพื่อนได้อย่างไรแต่นในร่างกายกับจิตใจก็เป็นคนสองคนจิตใจคือเราเนี่ยเราเป็นจิตใจ เราเป็นผู้สัง่งผู้ใช้ร่างกายให้รับใช้เราสั่งให้พามาที่นี่ก็ใจเป็นผู้สัง่งถ้าใจไม่สัง่งไม่คิดไวล่วงหน้าว่าวันนี้จะมาที่นี่ก็จะไม่ได้พาร่างร่ า, าร่างกายก็จะไม่ได้พาเรามาที่นี่กัน <Tamam. S 2> แต่พอเราคิดแล้วพอถึงเวลาเราก็สั่งว่าออกเดินทางไปมาวัดกันนะร่างกายก็พาเรามาวัดกันร่างกายนี้เป็นบ่าวใจนี้เป็นนาย ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกายนี้เป็นของชั่วคราวมีอายุไม่เกินร้อยปีส่วนใหญ่จะตายก่อนร้อยปีกันถึงเวลามันก็จะต้องหมดอายุขยัมัเหมือนรถยนต์รถยนต์ซื้อมาใช้ได้อย่างมากก็ยี่สิปียี่สิปีแล้วชิ้นส่วนต่างๆก็จะหมดสภาพซ่อมยังไงก็ซ่อมไม่ไหวก็ต้องขายเชียงกงขายเป็นเศษเหล็กไป ร่างกายรักษายังไงซ่อมอย่างไงเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนทายอวัยวะได้เปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนปอดเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตได้แต่เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมลงในที่สุดมันมีส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้สมองนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวพอมันเสื่อมมันก็หยุดทํางานมันก็กลายเป็นซากศพไปแต่เราไม่ได้เป็นร่างกาย ถ้าเราศึกษาเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วเราจะรู้ทันความหลงของเราความหลงของเรานี่มันหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันพอเราคิดว่าละเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็ตกใจกันเราก็กลัวกันเแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนกับเรารู้ว่าตอนนี้คนที่นั่งข้างๆเราไม่ได้เป็นเราเนี่ยถ้าเกิดคนข้างๆเราเกิดหัวใจวายพับล้มพุ่ลงไปนี่เราจะเป็นอะไรกับเขาเ่ เขาไม่เป็นใช่ไงมเขาเป็นคนละคนกันก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเถอะเราช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปพาเขาไปโรงพยาบาลไปหาหมอช่วยปั๊มหัวใจเรือะไรก็ทําไปแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขานะี่ยนั่นแะใจของเราก็เป็นแบบนี้กับร่างกายเป็นคนละคนกันเป็นเพื่อนกันเป็นนายกับบ่าวไปด้วยกันนายต้องอาศัยบ่าวเพราะทาทําอะไรเองไม่ได้ต้องอาศัยบ่าวเป็นผู้ทําให้เท่านั้นเอง แต่ถ้ามีความหลงแล้วก็จะไปคิดว่าเป็นคนเดียวกัน <Yeah. S 2> พอคิดว่าเป็นคนเดียวกันพอเบาเป็นอะไรนายก็ตกใจไปด้วยนายก็คิดว่าเป็นไปด้วยพอร่างกายแก่ใจก็คิดว่าตัวเองแก่ไปด้วย <Yeah. S 2> ยังพยายาม <Yeah. S 2> รีบเปลี่ยนร่างกายไม่ให้มันแก่อยู่เรื่อยนะพยายามย้อมผมอยู่เรื่อยพยายามไปทำสัญญกรรมอยู่เรื่อยเพื่อให้มันไม่แก่ แต่ความจริงใจไม่ได้แก่อยู่แล้วไม่ต้องไปทำสัญญกรรมที่ร่างกายทำยังไงมันก็หยุดความแก่ไม่ได้อยู่ดีพนาด จ, จะช่วยประเวงเวลาของความแก่ให้ช้าลงหน่อยแต่ในที่สุดมันถึงเวลาของมันก็หมอวิเศษขนาดไหนก็ทำให้เป็นสาวไม่ได้หรถ้าได้ไคนอายุแปดสิบก็ไปทาเป็นอายุสิบแปดกันหดนะ uh huh. ถ้าหมอท่านว่าจ ม, ม, มีคนไข้ยเยอะแยะเลย ถ้าเปลี่ยนคนอายุ80เป็นอายุ18ได้เนี่โอ้โหคนเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายกัใช่ไหมพอถึงอายุ18ก็ไปแปลงหน่อยให้เป็นอายุ18พอ80ก็กลับไปทําให้เป็น18ใหม่อแต่มันทําไม่ได้แต่เราไม่ตกใจถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์มีศีลสมาธิเป็นยาดัางนั้น สิ่งที่เราต้องทําหลังจากที่เราได้ทําอามิสบูชาแล้วเราต้องมาหัดทําปฏบิบัติบูชากันต่อไปซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ทําอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งออทําในวันหยุดออสมัยก่อนวันหยุดเป็นวันพระพอดีแต่สมัยนี้วันหยุดทํางานของพวกเรามันไม่ได้เป็นวันพระแล้วนันเราต้องเปลี่ยนวันพระให้มาเป็นวันหยุดแทนเพราะถ้าเราหยุดเราจะได้ไม่ต้องไปทํางาน เราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติบูบชาได้นั่นเองอย่างเช่นวันนี้เราก็เป็นวันหยุดเนยเรามาเริ่มปฏิบัติบูชากันขั้นต้นของการปฏิบัติบูชาก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาว่าเราต้องปฏิบัติอะไรถ้าไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้เหมือนกับเวลาเราจะไปาทากับข้าวอย่างนี้ ถ้าเราไม่เคยทํากับข้าวมาก่อนจะไปทํามันก็ทําไม่ได้ก็ต้องไปเรียนรู้วิธีทํากับข้าวก่อนว่าหุงข้าวหุงอย่างไรทำํำส้มตําทําอย่างไรทําพิซซ่าทำอย่างไรต้องไปเรียนจากคนที่เขารู้ก่อ น, นพอรู้วิธีแล้วทีนี้เราก็ไปหัดทํากั น, นเริ่มต้นก็อาจจะทําแล้วกินไม่ลงก็ได้เพราะว่ายัางยังไม่ชํานาญอแต่พอลองชิมดูแล้วก็ แล้วก็พิจารณาดู ว, ว่าใส่อะไรมากเกินไปใส่ะายน้อยเกินไปก็มาปรับเอาเค็มกับไปก็ลดน้ำปลาลงน้เกลือลงหวานเกินไปก็ลดน้ำตาลลงทำไปสักสองสาครั้งเดี๋ยวก็ได้รสชาติน่ารับประทานเองเอาการปฏิบัติก็เหมือนกันก่อนที่เราจะปฏิบัติได้ก็ต้องมาศึกษาว่ารักษาศีลอะไรบ้างสิงของการปฏิบัติมีอะไรบ้างก็มีอยู่สามระดับ ศีลแปดนี่ก็สําหรับอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่ยังไม่ได้บวชเวลามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมก็มาถือศีลแปดกันถ้าเป็นถ้าบวชเป็นสัมมาณีบวชเป็นแม่ชีก็ถือศีลสิบแม่ชีนี่มีสองแบบแม่ชีที่สือศีลแปดกับแม่แม่ชีที่สือศีลสิบสส 10. ต่างกันตรงที่ศีลสิบนี้ไม่ไม่แตะต้องเงินทองแม่ชีบางคนเขร่งไม่แตะต้องเงินทอง อาศัยอยู่ด้วยการให้ของผู้อื่นเช่นไปอยู่วัดก็อาศัยเหมือนกับเป็นพระหนึ่งพระสงฆ์อง์งองเจ้าอาศัยอาหารที่ได้จากพระจากการบิณฑบาต <Yeah. S 1> แล้วด้วยการตอบแทนวัดด้วยการทำหน้าที่ทำงานในวัดเช่นดูแลโรงครัวหรืออะไรทำนองนี้ <Yeah. S 1> เพื่อเพื่อเป็นการใช้หนี่สงไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ฟรีๆ นม่ชีบางคนไม่สะดวกที่จะถือศีลสิบก็ถือศีลแปดยังพกเงินทองได้อยู่เพราะยังไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่วัดแบบเต็มร้อยอยู่วัดแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็เลยอาจจะต้องใช้เงินทองไปอันนี่ก็คือศีลต่างๆถ้าบวชเป็นพระก็ศีลสองีสสมัยพุทธกาลถ้าบวชเป็นภิกษุณี ก, ก็เป็นศีลสยสิบสข้อเป็นต้น ด1อยอจะไม่ได้ตัวเลข300กว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องเ<ม>พราะว่าสิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติสมาธิต่อไป<ม>ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องการจะไปปฏิบัติสมาธิก็จะเป็นไปได้ยาก<ม>แล้วพอเรารู้วิธีปฏิบัติสมาธิได้ถูกต้อง แล้วปฏิบัติได้ผลแล้วเราก็จะได้ไปปฏิบัติขั้นปัญญาต่อไปไนดะ้ธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นขั้นขั้นเหมือนกับการเรียนหนังสือตามโรงเรียนก็แบ่งเป็นขั้นขั้นแบ่งเป็นชั้นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาชั้นปริญญาตรีโทเอก <Yeah. S 2> ต้องเป็นขั้นขั้นไป <Yeah. S 2> เราก็ต้องศึกษาศีลเบื้องต้นเบื้องต้นเราก็เริ่มที่ศีลห้าเรามีศีลห้าแล้ว เราก็ไปอยู่วัดไปถือศีลแปดได้ในวันพระในวันหยุดแล้วเราก็จะได้มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบมีอุเบกขาแล้วมีความสุขในใจแล้วเราก็สามารถก้าวไปสู่ขั้นปัญญาเพื่อที่จะให้ปัญญาสอนให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากให้ความสุขกําลังนี้ล้วนให้ความทุกข์กับเราทั้งนั้น <Evet. S 1> พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข เราก็จะหยุดการที่จะไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้ <Oui. S 1> เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากเสพกามได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามะพุหยุดหยุดความอยากเสพรูปฌานได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปะพุหยุดการอยากเสพอรูปฌานได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใน อ, ร, อรูปอรูปะพุเมื่อเราไม่เสพ ทั้งสามอย่างนี้เราก็จะไปอยู่ที่นิพพานแทนอยู่นอกนอกสังสารวัตรไม่ต้องไปติดอยู่ในคุกตาลางของสังสารวัไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในตายพเพราะเบรกต่อไปอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเรากระทำกันมากยิ่งกว่าการกระทำอามิสบูชา อำมิสบูชาถ้ายังทำปฏิบัติบูชาไม่ได้ทาได้แค่อมิสบูชาก็ทำไปก่อนถ้าไม่มีเงินทองที่จะไปทำมิสบูชาแต่สามารถไปปฏิบัติไปบวชได้ก็ไปเลยไม่ต้องกังวลว่าไม่ได้ทำมิสบูชาไม่ไม่สำคัญตัวที่สำคัญจริงๆคือปฏิบัติบูชาอมิสบูชาเพื่อให้เราได้ไปปฏิบัติบูชาต่อไป ถ้าเราสามารถไปปฏิบัติบูบชาได้เราก็ข้ามขั้นอมิสบูชาไปได้เลยไปปฏิบัติได้เลยไปบวชได้เลยแล้วเราก็จะได้บูชาอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแกรธ่ธรรมผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคต <yeah. S 1> ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เ, เรียกว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแกรธ่ธรรมผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนทั้งหลาย เป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าต้องการจากพวกเรานอกจากให้พวกเราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เท่านั้นและจะได้หลุดพ้นก็ได้จากการปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนี่งที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสุปฏิปันโนอุชุยายสามิจิสามิจิปฏิปันโน เเอะภะกวาตโตสาวกสาสังโฆนี่แหละคือสาวกของพระพุทธเจา้าบุคคล4 4 ส, สประเภทคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ที่จะเป็นผลที่จะตามมาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเข้าสู่การปฏิบัติบูชาให้ได้ เพราะว่าอันนี้แหละถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงที่จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเพื่อได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเยียนว่าตายเกิดได้สัมผัสกับบ ร, รมสุขของพระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เว ล, ยลายวขออนุโมทนาให้พรน ยะถาวะเรวะหาบ l ระปะเปุลเณติสาลังเอว e ม a วะอิโตทินังเปตานังอ an ุปก a รปติอิชิต um ังปฏิตังตุมังคิปเมวะสัิจโตสัพเเปลนตุส so ังกปะจันโทปนา s ะโสยถามานโชติ ภราสยถาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพโรโววินาศตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะติวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขัง อ้าวลาองโอเคช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ถามเองก็ได้หรือจะเขยนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านค่ะ Facebook พระอาจารย์สุชาติสามร้อยเก้าสิบเกพจอสุชาติ4ี่สิเกยอดรวม f a c e b o o สี่ร y อยส u b สิ0แปดยูทูบสองร้อยแปดวิทยุออนไลน์สิบซ o หผู้รับฟังหน้า ก, กุฏิหนึ่งร้อยสิบห้ารวมเจ็ดรอยปดสิบเจ็ดท่านค่ะคก็เชิญถามได้เลยนะถ้าใครอยากจะถามอะไรถามได้ตอนนี้เวลาเลิกแล้วก็ของงดมไม่มีเวลาแล้ว พอพอเลิกก็ถือว่าจบนะไม่มีมาถามหลังมามต่อกระับนรัสการเจ้าค่ะเมื่อเมื่อสามปีก่อนได้ได้ฝึกเกี่ยวกับอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานเหมือนจะได้แค่สติเจ้าค่ะแต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีความรู้สึกว่า ตัวเองกำลังจะตายหายใจไม่ออกตัวมันชาหูอื้อแล้วก็หน้ามืดไปหมดเหมือนจะไม่รู้สึกตัวแต่ว่า ย, ยังดูลมหายใจอยู่ลมหายใจมันแผ่วมันค่อยๆแผ่วทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราใกล้ตายอย่างนี้เจาา้าค่ะเราใช้วิธีนี้ถูกแล้วใช่ไั้เจ้ะค่ะก็ดูว่าใจเราเป็นยังไงใจเราทุกข์เพราะยึดมันหรือเปล่า ถ้าถ้ายังทุกข์ยังยึดมันอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาให้ปล่อยสอนให้เขว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ <c oughs> ถ้ามไม่ทุกข์มันเฉยเฉยก็ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ดูไปเฉยเฉยดูเเฉเ้าค่ะแต่ว่าณขณะนั้นนี้จะ จะคิดแค่ว่าเหมือนว่าธาตุาในตัวเราทั้งสี่นี้กำลังจะแตกอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะเจ้าคะครับขอบพระคุณเจ้าถ้ า, ถาเราไม่ตื่นเต้นตกใจไม่หวาดกลัวรู้เฉยๆก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นมันเราเป็นเหมือนเพื่อนกันเพื่อนกำลังจะไปแต่เราไม่ได้ไปกับเขาก็ดูดูไปเฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเสียใจหรือหวาดกลัว เจ้าค่ะแต่ที่เราสังเกตลมหายใจของเราเองนี้ก็ถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะที่ว่ามันค่อยๆหายไปอันนั้นก็เป็นการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดอะไรแล้วก็ดูความจริงไปด้วยดูนิจจังดูลมว่าเดี๋ยวมันก็หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอานุโมทิตย์ไปอย่างนั้น ถ้าเกิดเราไม่กังวลอะไรเลยนะขนาดนั้นก็คือถูกต้องแล้วใช่ไหมเจ้าค่ ะ, <humanities> ะการนมัสการพระชาญเนีค่ค่ะมีเรื่องหนึ่งจะจะสอบถามนะคะว่าสมควรจะต้องทำอย่างไรคือครั้งหนึ่งมาแล้วอะค่ะสักประมาณร่วมสิบสิบปีที่แล้วเคยคุยก SI ับบางคนไว้ว่าคือเขาพูดว่าทัมบางว่าถ้าเราจะ สักใครสักคนจะเป็นเพื่อนแท้เนี่ยถ้าเขากล้าให้เรายืมเงินเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราใจได้จริงๆก็เลยมีสถานการณ์ขึ้นมาว่าเนี่ยจะลองใจเพื่อนนะคะโดยที่ลูกยืมทําเป็นว่าไม่มีเงินเราไปยืมเงินเพื่อนแต่จริงๆมีอยู่แล้ว <c oughs> ไปยืมมาเป็นแสนเลยค่ะแต่คืนหมดกันแล้วนะคะแต่สรุปทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเหมือนเราโกหกเขาอะว่าเราไปยืมเงินเขา เหมืนรู้สึกว่ายังติดค้างอยู่ในใจถ้าจะไปกล่าวบอกกับเพื่อนในวันนี้ที่เรายังมีลมหายใจยังสามารถขอขอโทษเขาว่าเราโกหกเขาอย่างนี้ต้องสมควรไปขอโทษเขาไหมคะไม่หรอกถ้าเราคิดว่าเป็นการทดสอบใจเขา ว, ว่าเป็นอย่างไรก็เป็นการทดสอบเท่านั้นเองเหมือนกับเวลาเราอยากจะรู้ว่าทองนี่แท้หรือเปล่าแล้วก็ไฟเผามันดู ถ้าเป็นทองเคลือบเดี๋ยวของที่เคลือบทองเคลือบไว้มันก็จะหลุดออกมาหมดก็เป็นเหมือนกับเป็นการทดสอบเขาค่ะงั้นจะไม่ติดค้างกันไป ท, ที่ชาติหน้านะคะก็ไม่เห็นหน้าจะต้องไปติดอะไรยังมากก็โดนเขาซ้อมรุ่นโดยเขาสอบเราบ้างแล้วเองสอบได้ค่ะอย่างน <c oughs> ั้น <c oughs> สอบเขาได้เขาก็สอบเราได้เดี๋ยววันหลังเขามาแย่งขัวเราไปแล้วเขามาทดสอบใจเราเลย น, น, น่ามีหัวไม่ได้เรื่องคู่ครัเดี๋ยวว่าจะเป็นเพื่อนรักจริงหรือเปล่าเพื <laughs> ่อนรักจริงก็ยกให้ไปเลยอยากได้มึงอยากได้เอาไปเลยรักรักเพื่อนมากกว่ารักหัวอง อาจจะโดนข้อสอบบ้างก็ได้ไปสอบก็ต้องอยู่เดี๋วก็ต้องสอบกลับเรานม่หนูกลัวติดค้างอยากจะขอโทษเขาไม่ต้องไปพูดหรอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเราไปพูดแล้วเดี๋ยวจจะเป็นทําให้เป็นการเป็นเรื่องขึ้นมาวะกว่าใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นตามที่พระอาจารย์เมตตาอธิบายหนูก็จะไม่สอบถามอะไรคำถามคำถาทําหน้าสัตาค่ะกายการหายไป เป็นไม้ก็นั่งก่อเป็นถ้าเราฝึกสมาธิจนชำนาญเราจะนำความนิ่งสงบไปใช้ตอนใกล้าตายเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดได้ไหมเจ้าค่ะก็อยู่กับว่ากำลังของกิเลสกับกำลังสมาธิของเราอาไหนมันมากกว่ากั น, นถ้าเกิดกำลังสมาธิเราน้อยกว่าใจเราก็ยังทุกได้แต่ถ้ากาลังสมาธิเรามากกว่ากิเลสเราก็ ไม่ทุกดันั้นก็อยู่ที่ว่าถ้าสมาธิตัวเดียวนี้บางทีเยังสู้กิเลสไม่ได้สู้ได้ก็เป็นพักๆเวลาสติอ่อนกําลังลงสมาธิอ่อนกําลังลงก็โดนกิเลสเอาเราได้อยู่แต่ถ้าเรามีปัญญามาช่วยอีกแรงหนึ่งล้วก็รับรองได้ว่าชนะกิเลสอย่างแน่แนนะ่พอเราได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาฝึกสอนใจ ให้ปล่อยวางให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดนี้จะทำให้เราทุกข์พอเรารู้ว่ามันจะทุกข์เราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดเราก็จะปล่อยได้เราก็จะหยุดความอยากหยุดกิเลสได้อีกคาถามค่ะเมื่อพ่อแม่หรือญาติสนิทใกล้จะสิ้นลมในเวลานั้นพระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนาว่าเราจะช่วยส่งท่านในวาระสุดท้ายอย่างไรคะก็อยู่ในความสงบไปก็นั่งสมาธิของเราไป บอให้คนที่เข้าไปก็ให้เขาเข้าสมาธิทำใจของเขาให้สงบไปเพราะไม่มีใครทำอะไรได้ในตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาก็เร า, เราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นคำถามจากคุณจุลาค่ะ การสะสมพระเครื่องเป็นกิเลสใช่ไหมครับถ้าไปทําบุญแล้วมีพระให้เหรียญหรือพระมาให้เราจะต้องรับไหมครับคือมันอยู่ที่ว่าเราไ ป, ไปหลงยึดไปเชื่อว่าเป็นของดีหรือเปล่าทั้งนั้นเองความจริงมันก็เป็นแค่วัตถุชิ้นหนึ่งแล้วเราก็ไปสมมุติว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นหลวงปู่หลวงตาองค์นั้นองค์นี้แล้วก็ไปคิดว่ามี อิทธิลิธิปฏิหารอะไรต่างๆเช่นมาคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆให้กับเราได้อันนี้เรียกว่าเป็นโมหะเป็นความหลงถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงโลหะชิ้นหนึ่งเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งไม่มีความสามารถอะไรใดๆทั้งสิ้นแม้แต่พระเองยังรักตัวสาตัวเองไม่ได้โดนขมโมยตัดเศียผ้าไปขายเยอะยไปหมดๆๆ งั้นแต่ถ้าเราไปงานแล้วก็แจกงั้นเราก็รับไว้เป็นเหมือนของชำร่วยไปงานศพเขาก็แจกของชำรุวยเราก็รับไว้ส่วนเราจะเอาไปใช้ทําอะไรแล้วก็ใช้ปัญญาของเราพิจารณาไปเท่านั้นเองแต่สำหรับวัตถุมงคล น, นี้เราต้องทําความเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมือไม่เป็นสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองอะไรเราได้เป็นเพียงแต่ความเชื่อกันมาเท่านั้นเอง คำถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะผู้ที่สูบบุหรี่ผิดศีลข้อห้าไหมครับไม่ผิดหรอกเพราะว่าศีลข้อห้านี้ห้ามของมึนเมาถ้ากัญชานี้อาจจะห้ามอาจจะผิดเพราะสูบกัญชาสูบยาฝิ่นแล้วมันทําให้มึนเมามันทําให้ขาดสติได้แต่ถ้าสูบบุหรีน่นี้สติยังเหมือนเดิมอยู่นี่ไม่ถือว่าผิดพระท่านถึงสูบได้แต่ญาติโยมไม่เข้าใจก็เลยไปคิดว่าพระอา ผิดศีลหรือ ว, ว่าไปติดบุร่ก็มีทั้งที่ติดและไม่ติดแต่ติดก็ไม่ได้ถือว่าผิดศีลในเรื่องผิดธรรมแต่ถ้าเป็นพระอารหรันต์พระอาริย น, นีท่านสูกแต่ท่านไม่ติดคือท่านมีก็สุขไม่มีท่านก็ไม่ไม่ไปหามาสุขเวลาไม่มีสุขท่านจะจะไม่งงหยุดลาคาญใจแต่ผู้ที่ติดนี้เวลาบุเร่หมดนี่จะงดเยิดลาคาญใจ จะต้องไปหามาสูบให้ได้ถึงจะหายนั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังเทนว่าการสูบบุหรี่ของพระนี่ไม่ผิดศีลข้อห้านไม่ผิดศีลแล้วก็จะติดไม่ติดก็อยู่กับจิตใจของพระที่สูบถ้าพระยังติดอยู่ก็ไม่ควรจะสูบเพราะการาการติดก็เป็นกิเลสการติดก็เป็นความอยากแต่ถ้าไม่ติดจะสูบบ้างก็ไม่เป็นไร เมือนกินอาหารนี่ญาติโยมจะให้อาหารอย่างนั้นมาอย่างนี้มากินก็กินไปแต่ไม่ติดถึงแม้จะชอบเคยกินสมัยที่ยังไม่ได้บวชชอบอาหารอย่างนี้เขาให้อาหารนี้มากินก็กินเพราชอบมันแต่เวลาไม่มีกินมันก็ไม่ได้ไปคิดถึงมันไม่ได้ไปเดือดร้อนกับมันอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ติดนี่ก็แต่ถ้าติดอันไหนนี่ต้องฝืนใจอย่าไปกิน ถ้าติดขนมนมเนยที่เราชอบแล้วญาติโยมเอามาถวายก็อย่าไปกินมันถ้ากินแล้วมันติดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้กินเราจะรู้สึกขาดขาดอะไรไปคําถามจากคุณโลกนี้เป็นทุกข์ค่ะเดี๋ยวนี้ชอบมีเรื่องเครียดเข้ามามากมายโจ้ค่ะเป็นทุกข์ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เจ้ค่ะก็ทุกข์เกิดจากความหลงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เลยไปทุกข์ ถ้ารู้ว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนมันก็จะไม่ทุกข์ถ้ารู้ว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่นิ่งไม่เหมือนเดิมทุกอย่างร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มาไปไปไปมาๆของมันอย่างนี้เหตุการณ์บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวฝ่ายนี้ขึ้นฝ่ายนั้นลงเดี๋ยวฝ่ายนั้นขึ้นมาฝ่ายนี้ก็ลงไปสลับฉากกันไปก็เหมือนดูฟุตบอลเนี่ย ถ้าเราไปเชียร์ข้างในข้างหนึ่งเราก็จะทุกข์เราก็จะเครียดกับมันแต่ถ้าเราไม่ไปเชียร์ทุกข้างข้างไหนก็ได้ข้างไหนชนะก็ได้ข้างไหนแพ้ก็ได้มันก็ไม่เครียดงั้นเราอย่าไปถือข้างอย่าไปถือข้างกับอะไรดูทุกอย่างเหมือนเราดูอากาศดินฟ้าอากาศกับอะไรเราอย่าไปถือข้างฝนเดี๋ยวฝนไม่ตกเราก็เครียดขึ้นมาอย่าไปถือข้างแดดเดี๋ยวแดดแดดไม่ออกขึ้นมาเราก็เครียด พอแดดแพร่ผลเราก็เครียดเราอย่าไปถือข้างเราก็ดูทุกอย่างเป็นกลางดูเฉยเฉยฝนตกก็ดีลมพัดก็ดีฝนไม่ตกก็ดีแดดออกก็ดีได้ทั้งนั้นใครขึ้นใครลงใครเป็นใหญ่ใครไม่เป็นใหญ่ใครตายใครไม่ตายก็ดูไปเฉยเฉยอย่าไปถือข้างแล้วเราก็จะไม่เครียดแม้แต่ตัวเราเองก็อย่าไปเครียดกับมันร่างกายของเรามันก็เดี๋ยวก็เจ็บบ้างเดี๋ยวก็ แล้วก็ตกทุกได้ยากเดี๋ยวก็ตกงานกันนะเร่องนี้ตกงานกันเยอะแยะไปถ้าไปถือว่าต้องมีงานทํามันก็จะเครียดขึ้นมายังก็ต้องยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็จะไม่เครียดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้อยู่เฉยๆทำไรายได้ก็ทําไปตกงานก็หาใหม่หาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็หาไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีจะหาก็มีงานที่รอรับเราอยู่ตลอดเวลาไม่มาหากันอย่างงานที่วัดเนี่ยมาบวชอย่างนี คำถามจากคุณรงชัยคะ่ะกราบดินถามพระอาจารย์ว่าอุเบกขาบารมีกับอุเบกขาโพชฌงค์คือการหยุดความคิดหยุดความอยากใช่หรือไม่ครับไม่มันเป็นอารมณ์ของจิตที่สงบแล้วว่างแล้วเบาปราศจากความรักชังกลัวหลงไม่มีอารมณ์จิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรักชังกลัวหลงซึ่งอาจจะเกิดได้จากกสมาธิเรือกเกิดจากปัญญา มีสองระดับด้วยกันก็เรียกว่าอุเบกขาคำถามจากคุณวิเชียนคะ่ะผมจะเจริญสติผมจเจริญสติปฐานสี่ทุกขณะจิตจะสามารถเข้าถึงโสดาบันได้หรือไม่ครับทางสุวิปัสโกทำเท่านี้จะมีกำลังเพียงพอไหมครับก็ต้องได้สติก่อนแล้วก็ได้สติแล้วก็ไปนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าเข้าสมาธิเข้าอปปนาสมาธิ ให้ได้อุเบกขาเพราะได้อุเบกขาแล้วก็ต้องมาพิจารณาร่างกายกับเวทนาว่าเป็นไตลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นอะไรเราก็ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่ตายไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปถ้าปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บได้มันก็เป็นโสดาบันได้ คำถามจากคุณโลกนี่เป็นทุกข์ค่ะฝึกนั่งสมาธิแบบนับเลขเจ้าค่ะเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองไปถึงหและเพื่อเป็น6 7 8 9็แต่บางทีท่องแล้วก็ลืมว่าท่องถึงเลขอะไรบางทีก็ไปนับเลขซ้ำๆหรือข้ามตัวเลขจะแก้ไขยอย่างไรเจ้าค่ะก็แสดงว่าสติเราชอบเสือเลยพอนับได้ปั๊บหนึ่งลืมละไปคิดถึงเรื่องอื่นปั๊บก็ลืมว่าเรานับไปไหน ก็เริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันทุกครั้งที่มันเดิมก็เริ่มต้นใหม่ไปจะได้รู้ว่าเรานี่มันเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆก็เป็นเหมือนเด็กอะล้มลุกคุกคานแต่ถ้าไม่ยอมแพ้พยายามฝึกไปเรื่อยๆเหมือนเด็กมันไม่ยอมหยุดเดี๋ยวมันก็ยืนได้เดี๋ยวมันก็เดินได้เดี๋ยวมันก็วิ่งได้สติก็เหมือนกันตอนต้นมันก็จะล้มลุกคุกคาน พุทโธได้สองคำก็หายไปแล้วไปคิดถึงขนมนมเ น, มนยแทนนะพอรู้สึกได้สติกลับมาก็กลับมาหาพุทโธใหม่เริ่มใหม่ก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนน้อมลุกลุกขานไปถ้าจะให้มีสติดีเร็วต้องไปอยู่ที่นาปัวนะพอคิดว่าผีมานี่มันจะอยู่กับพุทโธไม่ห่างเลยพุทโธพุทโธพุทโธแล้วขึ้นเครื่องวินเครื่องบินบอกว่าเครื่องขัดข้องเนี่ยทีนี้นั่งส่วนเงนกันไม่ยอมไปคิดถึงอะไรแล้ว มันต้องมีเหตุการณ์อะไรมาบังคับถ้าไปอยู่ที่สบายที่สบายมันมันก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นสติเน้นบางทีเราจำเป็นจะต้องไปหาที่ที่มันกระตุ้นสติพระถึงต้องไปทุดงในปา่านไปอยู่ที่มันมีผีบ้างมีเสือมีสิงห์นั่งบางองค์ก็ไปนั่งสมาธิที่หน้าผาเนี่ยชอบจับประโข ก, กหัวก็ถ้าหัวทิ่มก็ลงตกผาไปเลยตกเขวไปเลย ต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาทำให้มันเกิดสติขึ้นมาถ้าไปอยู่ที่หน้ากลัวมันจะตื่นตัวขึ้นมาจะเดินจะอะไรมันจะคอยระมัดระวังเฮ้ย hey, มีงูเปล่ามีอะไรข้างหน้าเปล่ามันก็จะได้เกิดสติขึ้นได้อย่างง่ายดายและร ว, วดเร็วกว่าที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดที่มันปลอดภัยคำถามจากคุณโลกนี้เป็ทุทกค่ะบางทีทำสมาธิอยู่สักพักมักจะถอนออกมาบ่อย อยากนั่งแบบไม่ต้องรีบถอนออกมาเจ้าค่ะแต่บางทีนั่งแล้วก็น้ำลายย้อยหรือเป็นอื่นๆควรแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะสติเรามีกําลังน้อยมันเลยนั่งไม่ได้งั้นก่อนจะมานั่งต้องมันฝึกสติให้เยอะๆตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยปล่อยให้มันคิดได้เฉพาะเรื่องที่ต้องคิดอย่าเรื่องที่ไม่ต้องคิดอย่าไปให้มันคิดหยุดมันด้วยพุโทโธพุโทโธไป นื้อคอยดึงมันมาให้ดูว่าเรากาลังทาอะไรอยู่กำลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันอย่าล้างหน้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปให้มันคิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ให้รู้อยู่กับเรื่องที่เราทำอยู่อย่างนี้เราก็จะมีสติแล้วเวลามานั่งสมาธิมันก็จะง่ายจะสงบได้ง่ายได้เร็วไม่มีอุปสรรคต่าง คำถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะผู้ที่รักษาศีลแปดจำเป็นต้องได้รับศีลจากพระหรือไม่ครับไม่ต้องรับศีลใครศีลมันพระถ้าให้โยมไปพระก็ไม่มีศีลนั่นสเลยโยมมาขอศีลเราไปแล้วเราจะมีศีลที่ไหนเหมือนได้มามีจีวรมาขอจีวรเราไปแล้วเราจะมีอะไรใส่ศีลมันก็เป็นจีวรของใจเข้าใจไหมศีลเป็นอาภรณ์ของใจศีลใครศีลมัน ถ้าเราให้ศีลญาติโยมไปเราก็ไปเป็นญาติโยมแทนโยมก็มาเป็นพระแทนเราเลยใช่ไหมศีลใครศีลนั้นไม่ต้องไปขอที่ไปขอคือไปศึกษาว่าให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างศีลห้ามีอะไรบ้างศีลแปดมีอะไรบ้าง่ 5, าง 8, างาเวลาพระให้ศีลถ้าไม่ได้ให้ศีลท่านท่านให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลว่ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งเป็นอะไรข้อสองเป็นอะไรอย่างไร เป็นการสอนไม่ได้เป็นการให้ศีลของของใครของตนแก่ผู้อื่นแต่ผู้ที่จะรับการรักษาศีลพอรู้ว่าศีลห้ามีอะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานไปเท่านั้นเองไม่ต้องมาวัดกันได้อยู่ที่ไหนก็รักษาได้พอตื่นขึ้นมาวันนี้บอกว่าวันนี้จะขอรักษาศีลแปดไปทั้งวันนะจะตั้งถึงพรุ่งนี้เช้าก็พอรู้พอตั้งเป้าหมายแล้วตั้งเวลาแล้วทีนี้ก็เหมือนตั้งนาฬิกาปลุก ก็ปล่อยให้มันเดินไปแล้วก็รักษาศีลของเราไปต่อไปไม่ต้องไปขอกับพระนอกจากถ้าไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้าง<ม>ก็ต้องไปขอไปถามคำถามจากคุณโอเอียงค่ะถ้าจิตฟุง้งซ่านจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะาต้องหยุดมันเลย ม, มันฟุ้งซ่านก็เป็นแสดงว่ามันไม่มีสติก็ต้องใช้สติหยุดมันท่องพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ สู้กับมันไปเหมือนรถที่วิ่งเร็วๆนะไปไปแตะเบรกครั้งเดียวมันไม่หยุดทันทีหรอกกว่าจะหยุดมันอาจจะนะู่น่ครึ่งกิโลนู่นตั้งแต่เราเริ่มแตะเบรคมักนะว่าจะมันจะหยุดสนิทได้ก็ต้องวิ่งไปสักครึ่งกิโลถ้ารถวิ่งมาเร็วๆนะถ้าเบรกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเบรกดีๆสมัยนี้อาจจะหยุดปั๊บได้เลยมันก็อยู่ที่สติเราว่ามีมากมีน้อย ถ้ามีน้อยก็ต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะหายฟุ้งซ่านนะถ้ามีมากท่องพุโทโธไม่นานพบมันก็หายได้อยู่ที่ว่าเรามีสติมากน้อยเฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆอย่ามาใช้สติตอนที่เราฟุ้งซ่านเพราะสติมันจะไม่มีกําลังมันจะออกมาไม่ได้มันจะไปคิดอยู่กับเรื่องที่ทําให้เราฟุ้งจะเดึงมาพามพุโทโธมันก็ไม่ยอมพุโทโธได้สองคำมันก็กลับไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราฟุ้งอีก คำถามจากคุณปาริชาติค่ะพระพุทธเจ้าและพาาระาอารหันต์ที่นิพพานแล้วท่านติดต่อกับมนุษย์ได้ไหมเจ้าคะและถ้ามนุษย์อธิษฐานจิตถึงท่านท่านจะรับทราบไหมเจ้าคะก็ติดต่อได้กับเฉพาะบางบางบางคนคนที่มีพลังจิตมีกําลังที่สามารถติดต่อกับกายทิพ์ได้แล้วก็อาจจะต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นกรณีพิเศษเป็นพระพุทธเจ้าติดต่อกับแม่ของพุทธเจ้า เพราะว่าท่านมีความสัมพันธ์ระลึกถึงกันอยากจะพบก็ติดต่อกันได้หลวงปู่มั่นก็มีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้ามามาสอนธรรมะอยู่เรื่อยเพราะชาติก่อนท่านอาจจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนกันไม่เป็นอะไรกันแล้วคิดถึงกันก็สามารถที่จะหาได้คนที่รับก็ต้องมีพลังจิตหลวงปู่มั่นท่านก็มีความสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพได้ แต่ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีความสามารถก็เหมือนคนที่ไม่มีมือถือพอเราไม่มีมือถือคนที่เขามีมือถือจะมาติดต่อกับเราก็ก็ไม่รู้จะติดต่อได้ยังไงแต่ถ้าเรามีมือถือพอเขารู้ว่าเบอร์เราอยู่ที่ไหนเขาก็สามารถติดต่อกับเราได้ดงั้นความสามารถพิเศษนี้ก็เป็นเหมือนมือถือนี่ถ้าเรามีมือถือเราก็สามารถติดต่อกับคนที่มีมือถือได้ถ้าคนที่ไม่มีมือถือก็ติดต่อกันไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตายร่างกายตายแต่จิตของท่านก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านจะไม่ไปติดต่อกับคนนั้นคนนี้เหมือนตอนที่มีร่างกายตอนที่มีร่างกายท่านก็ไม่ได้ไปติดต่อมีแต่คนมาหาท่านใช่ไหมมีคนมาศึกษาตอนบ่ายก็ญาติโยมตอนเย็นก็พระภิกษุตอนดึกก็เทวดาตรงนี้มาหาท่านเองเแล้วก็มาหาท่านก็ต้อนรับเขาแล้วก็แสดงธรรมให้กับเขาไป แต่พอท่านได้มีร่างกายแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าหาท่านได้นอกจากถ้าเขามีพลังจิตพิเศษและมีมีความผูกพันกันคิดถึงกันรู้จักกันมาก่อนก็อาจจะมาเยี่ยมเยียนกันมาถามสารทุกข์สุขุปตตอกันได้คำถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะเวลาทาบุญทุกครั้งสามารถกลับมาอุทิศบุญที่บ้านโดยไม่ต้องใช้น้ำแต่พนมมือตั้งจิตอุทิศผลอย่างนี้จะได้ไหมครับ ก็ทําตอนที่ทําเสร็จเราจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนอาหารน่ยอาหารที่ทำออกจากโรงครัวใหม่ๆมันสดๆร้อนๆมันน่ากินกว่าถ้าปล่อยให้มันจืดชืดแล้วมันบางทีเราไปมีของอย่างอื่นไปเปะไปปะปนด้วยเพราะว่าหลังจากเราทําบุญแล้วถ้าเราไม่อุทิศเดี๋ยวเราก็ไปมีอารมณ์เรื่องนั้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็มากบบุญที่เราอารมณ์ที่ดีนั้นไป พอตอนเย็นมาแะเลิกถึงก็ลมนั่นก็เป็นเหมือนกับอาหารเย็นนะอาหารที่ไม่เหมือนกับอาหารที่ออกมาสดสดร้นอนๆเยน็นเวลาทําบุญเสร็จก็ไม่ต้องรอพระไม่ต้องมีน้ําสร้างจิตอธิษฐานได้เลยขออธิษฐานขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ร่วงรับไปแล้วนะคือเอาอุทิศความสุขใจที่ได้รับจากการทําบุญในตอนนั้น คำถามจากคุณชาณรงค์ค่ะมีพระรูปหนึ่งสงสัยว่าหลวงตาติดหมากถือเป็นการติดหมากเป็นการยึดติดกระผมไม่มีความคิดแบบนั้นแต่ยังไม่เข้าใจรบกวนพระอาจารย์อธิบายครับไม่เข้าใจยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าหลวงตาติดหมากเนี่ยใช่ไหมคะหลว ง, ง, งตามหาบัวอ๋อไม่ติดหรอกถ้าท่านติดท่าน ก, ทานก็ท่านเวลาที่ท่านจะไปข้างต่างประเทศครั้งหนึ่งมีญาติโยมนิมนต์ท่านไปอังกฤษเป็นประเทศอังกฤษไปลอนดอน2อาทิตย์ วายาโยมกลัวท่านจะอดปากขนหมากไปที่สนามบินกันเป็นกิโลเลยเป็นถุงๆเลยท่านบอกจะบ้าหรือเราไม่ได้ติดแต่จะกินเพื่อฉลองศรัทธาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นเครื่องท่านก็ได้เอาหมากที่คนเอามาถวายท่านฉันฉันครั้งเดียวแล้วพอท่านขึ้นเครื่องท่านก็ไม่แตะต่อไปสองอาทิตย์ท่านไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรท่า น, นไม่ติด แต่เวลาท่านอยู่เมืองไทยนี่คนรู้ว่าท่านฉันเขาก็เอามาถวายทุกวันทุกวันทุกวันนเมื่อมีคนามาถวายท่านก็ฉันไปตามมีตามเกิดไปเท่านั้นเองคําถามจากคุณโลกนี่เป็นทุกข์ค่ะผู้ที่ไปนิพพานใช้ชีวิตแบบไหนกันเจ้คาคะท่านจะนั่งสมาธิอีกไหมเจ้คาคะอก็ลองปฏิบัติดูแล้วกันถึงเราก็จะรู้เองนะคำถามสุดท้ายหมดหรือยังอลยคำถามสุดท้ายค่ะ จากคุณแคทค่ะระหว่างที่หนูเดินจงกรมได้สักพักมีอาการจิตว่างจากทั้งข้างนอกและข้างในไม่มีอะไรในหัวลองภาวนาพุทโธ ก, ก็เกาะติดดีมากไม่หลุดแต่นึกกลัวว่ามันว่างขนาดนี้ไม่รู้ต้องทํายังไงต่อเจ้าคะ่ะหนูจะทําทยังไงต่อเจ้าคะ่ะก็ทําต่อไปแต่พูโทโธท่อกไปไปล่อยให้มันว่างว่างมันดีจะตายไหมว่างแล้วมันทําให้เราเบาเราสบายใจไปกลัวมันทําไมมันไม่มีอะไรน่ากลัว ปฏิบัติเพื่อให้มันใจมันว่างใจมันเบาใจมันสบายอย่าง <Yeah. S 1> นี้นนก็ปฏิบัติต่อไปมันว่างแล้วก็พุโทโธต่อไปของเราไปปฏิบัติไปเอาล้วนะวันนี้ก็หมดเวลาพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิพพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด